กล่าวถึงผู้ที่ปรารถนาขวนขวายลหลงไหลอยู่ในกามเนี่ยนะทั้งวัตถุกามกิเลสกามเนี่ยด้วยอำนาจความปรารถนาคือตัณหาเนี่ยนะอภิชาโลภาอกุศลมูลเนี่ยนะว่าสัตว์ทั้งหลายกำหนัดปรารถนาลหลงไหลติดใจลุ่มหลงคล้องเกี่ยวพัวพันุ์ในวัตถุกามทั้งหลายด้วยกิเลสกามเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปรารถนาในกามทั้งหลายเนี่ยนะตัณหาเนี่ยนะปรารถนาวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะ ขวนขวายคำว่าสัตว์ย่อมเสาะหาสะแสวงหาเสาะหาค้นหากามทั้งหลายเป็นผู้เที่ยวไปเพื่อกามเนี่ยนะจะไปไหนก็ไปเพื่อกามเนี่ยนะเรียก ว, ว่าเที่ยวไปเพื่อกามมากัมกมากในกามหนักในกามเอนไปในกามโอนไปในกามนุ่มเข้าไปในกามน้อมเข้าไปในกามมุ่งกามเป็นใหญ่เนี่ยเที่ยวไป คือยังกามให้เจริญเนี่ยนะทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักหน่วงอรมนาธิปฏิในกามเนี่ยนะแหมดีจริงๆเลยกันนะน้อมไปโอนไปโน้มไปน้อมไปมุ่งไปน้อมใจไปหากามเพราะฉะนั้นเรียกว่าผู้ขวนขวายในกามสัตว์เหล่าใดย่อมสแสวงหาเสาะหาคนหารูปเสียงกลิ่นรถโพธะะด้วยสามารถแห่งตันหาเป็นผู้เที่ยวไปเพื่อกามมักๆในกามหนักในกามโอนไปในกาม เอ็นไปในกามโนมเข้าไปในกามโนมใจไปในกามมุ่งไปในกามสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าขวนขวายในกาม น, นะมันน้อมไปจริงๆเลยนะเคยหิวน้าไม่ตามหาน้ำเนี่ยนะหิวอาหารเนี่ยสอดสายตาหาแต่อาหารนั่นะลักษณะนั้นนะหาวก็คิดหาแต่ผ้าห่มอย่างเงี้ยแม้สัตว์เหล่าใดได้เฉพาะเนี่ยนะคือได้อยู่ในได้ได้สมปาถนานะได้เฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโพธาะ ด้วยสา ม, มารถแห่งตันหาก็เป็นผู้เที่ยวไปเพื่อกามมากมากในกามหนักในกามเ อ, ามอ็นไปในกามโอนไปในกามโน้มเข้าไปในกามน้อมใจไปในกามมุ่งกามเป็นใหญ่สัตว์เหล่านั้นชื่อว่าพวกขวนขวายในกามผู้ขวนขวายในกามะนะต้องการอยู่นั่นแหละแม้สัตว์เหล่าใดบริโภคใช้สอยเนี่ยนะใช้สอยรูปเสียงกลิน่นรสโพธพภะด้วยสา ม, มารถแห่งตันหา หนะมกมุ่นด้วยอำนาจตันหาเนี่ยเทีเ่ยวเป็นผู้เที่ยวไปเพื่อกามมากๆในกามหนักในกามเอ็นไปในกามโอนก็ไปในกามเนี่ยนะโน้มก็ไปในกามเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าพวกมุ่งกามเป็นใหญ่ชื่อว่าผู้ขวนขวายในกามคนผู้พูดถึงเปรียบถ้าจะอุปมานะบอกว่าผู้ทําความทะเลาะชื่อว่าขวนขวายในความทะเลาะนะผู้ทะเลาะกันใช่ไหมหาเรื่องจะเอาทะเลาะกันอยู่นั่นแนหะ ผู้ทําการงานก็ชื่อว่าขวนขวายในการงานใช่ไหมโอ้ยมันมุ่งงานจะเอาการเอางานให้ได้นะจะเอาให้เสร็จอะผู้เที่ยวไปในโคจรก็ข ว, ขวนขวายในการโคจรอะนะผู้หนักไปในเที่ยวไปจะเที่ยวอย่างเดียวนะจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งจากบ้านหนึ่งสู่บ้านหนึ่งไปเรื่อยอะหรือผู้เจริญฌานก็มีความขวนขวายในฌานอะจะเอาฌานให้ได้เนี่ยนะมกมุ่นคุค้นคิดอยู่ในเรื่องจะเอาฌานอย่างเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นพวกที่ปรารถนากรามก็เหมือนกัน บรรทัดเราใดแสวงหาเสาะหาคนหากามทั้งหลายก็เที่ยวไปเพื่อกามมากไปในกรรมหนักเข้าไปในกรรมเอนไปในกรรมโอนเข้าไปในกรรมนุ่มไปในกรรมน้อมใจไปในกรมมุ่งกรรมเป็นใหญ่นะเคอขับรถไปขายของอะไรนั่นแหละะไปหาของไปซื้อของทั้งหลายเนี่ยนะมุ่งไปหาของไปไปเรื่อยๆนั่นแ่ะเสาะหาอย่างเดียวกว่าจะได้นะเที่ยวหาอาหารแสวงหาอาหารเนี่ยนะมีรถคันไหนมั่งไปไม่ไปหากรรมเอาน้อยมากนะ มีไม่กี่คำหรอกที่แบบจะไปให้พ้นกรรมโดยมากก็ไปหากามนี่นแหละส่อหากรรมเสี้ยวหากรรมสแสวงหากรรมอยู่นั่นแหละแม้สัตว์เหลา่าใดย่อมสแสวงหาส่อหาคนหารูปเสียงกลิ่นรสโพธาะด้วยสามารถแห่งกรรมก็เป็นผู้เที่ยวไปเพื่อกามมากมากในกามหนักในกามเ อ, ามอ็นไปในกามโอนไปในกามนุ่มไปในกามน้อมใจไปในกามมุ่งไปในกามจึงเชื่อว่าผู้ขนขวายในกามนี่ยนะี่พุทธเจ้าว่าเราหรือเปล่านะเนนาะ ก็เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าละา่ะวากันหรืออีกสัตว์เราใดได้ไดเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพด้วยสามารถแห่งตันหาเนี่ยนะก็ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยวไปเพื่อกามมากๆในกามหนักในกามเอ็นไในกามโอนไปในกามน้มก็้ไปในกามน้อมใจไปในกามมุ่งไปในกาม น, น, นะก็คือกามมาตันหาน่ย น, นะแต่ตัวตันหาที่ปรารถนาวัตถุกามนั่นแหละคําว่าหลงไหลก็คือโดยมากเทวดาและมนุษย์เนี่ยย่อมหลง อหลงไหลหลงพร้อมในการมาคุณห้านะหลงอยู่นั่นแหละเป็นผู้ห ล, ลงหลงไหลหลงพร้อมเนี่ยอวิชชาทําให้มืดทําให้บอดเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยหุ้มหอ่อปิดบังเอาไว้ปกคลุมครอบงําท่วมทับเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันปกปิดปกบังไว้อย่างนั้นทีนี้น่าคิดคําว่าอาวิชชาเนี่ยอวิชชาเนี่ยหมายคำว่าความไม่รู้เนี่ยนะ ความไม่รู้ในทีนี้เน้นไปที่ว่าทำให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้อันนั้นแหละคืองานของอวิชชาเนี่ยนะทำให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ไอ้สิ่งที่ไม่ควรได้ก็กลับได้ความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยไม่ควรได้หรอกอวิชชาทำให้ได้สุจริตสามนะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยนะควรได้มากอวิชชาไม่ให้ยอมหรอกนนนะ นีอวิชชาเนี่ยมันปกปิดนะหุ้มห่อไม่ให้รู้ความเป็นกองแห่งขันไม่ให้ความสืบไม่ให้รู้ความสืบต่อแห่งอายตนะไม่ให้เห็นความว่างเปล่าแห่งธาตุไม่ให้เห็นความเป็นใหญ่แห่งอิจฉีไม่ให้เห็นสัจจะความเป็นสัจจะของอริยสัจนี่ยนะไม่เห็นเห็นทุกว่าบีบคั้นเห็นสมุทัยว่าประมวลมาเป็นนิทานไม่เห็นนิโรธวัฏสงัดไม่ให้เห็นมรคว่า นำออกจากทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอะวิชชาที่จะปกปิดพุ่มห่ออยู่นั่นแหละไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้พิจารณาตามความเป็นจริงมันเมื่ออวิชชาเนี่ยทําให้ตาบอดพุ่มห่อปิดปิดบังเอาไว้เนี่ยนะปกปิดปกคลุมครอบงําอย่างนี้แล้วสัตว์เหล่านั้นก็ชื่อว่าตกต่ำํำตกต่ําคําว่าตกต่ําก็คือสัตว์ผู้ไปต่ําก็ชื่อว่าตกต่ำํำตกต่ําก็คือไปต่ํำนะไปไหนไปต่ํำก็ไปไม่ดีอนะ ไม่ได้ไปสูงอ่ะวังนั้นเถอะแม้ผู้มีความตระหนี่ก็ชื่อว่าผู้ตกต่ำตระหนี่นะหวงแปลว่าห่วงแหนสมบัติของตนเนี่ยนะห่วงแหนมากเลยนะเรียกว่าตระหนี่ก็ชื่อว่าตกต่านะผู้ไม่เชื่อคําของพระพุทธเจ้าถ้อยคําเทศนาคําชี้แจงคําพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าผู้ตกต่ำนะผู้ตกต่ําคือไม่ไม่ทําความเคารพในคําสอน ไม่สนใจในคําสอนไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้จึงชื่อว่าผู้ตกต่ํามีผู้ตกต่านี่แหละชื่อว่าผู้ไปต่ําไปต่ําเนี่ยไปยังไงก็คือไปสู่นรกบ้างไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉ า, านบ้างผู้ไปสู่ไปสู่เปรติวิสัยบ้างอนะเนี่ยเขาไปต่ำนะอย่างที่เห็นเดรัจฉานที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยคือเขาตกต่ําที่เขาตกต่ําเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาลหลงไหลในกาลมาคุณห้า ที่เขาหลงไว้ในการมคุณห้าเพราะเขาปรารถนาการมคุณห้าที่เขาปรารถนาการมคุณหเพราะเขามุ่งหวังมีตัณหามียวิชาเนี่ยปกคลุมหุ้มห่อเขาอยู่อย่างนั้นแหละคำว่าผู้ตรณีเนี่ยนะชื่อตรณีเนี่ยชื่อว่าผู้ตกต่ําพวกตรณีก็ตรณีห้าอย่างอนะตรณีที่อยู่ตรณีตะกูลตรณีลาบตะกีตรณีวันณะตรณีธรรมะเนี่ยนะพวกที่ตรณี ที่อยู่ก็คืออาวาสมัชฉริยะก็คือตนีอารามเนี่ยนะเป็นเจ้าที่กัตระวงที่อะนะเจ้าอาวาสกับหวงอาวาสอ่ะเจ้าบริเวณเนี่ยนะดูแลบริเวณขอบเขตกับห่วงบริเวณแม้กระทั่งห้องนอนอะนะที่อยู่ห้องนอนเนี่ยกุฏิของเราที่อยู่ของเราเตียงของเราอะไรก็ตรนีห่วงแห็นหรือว่าพวกตนีตระกูลตระกูลก็แบ่งเป็นสองตระกูลอุปถักเี่ยตระกูลที่มาอุปถักตนอย่างหนึ่งตระกูลญาติของตนอย่างหนึ่งก็ไม่อยากให้คนอื่นไปข้องกับตระกูลของตัว ก็เป็นพระพิสูจน์นะตกตนีลาวตันีปัจใจเสียนะตันนีเครื่องนุ่งห่มตันนีอาหารตนีที่อยู <t <t ่ตนียาไม่อยากให้เป็นของคนอื่นตนีวันณะก็คือสรีระนะไม่อยากให้คนอื่นสวยเหมือนตนเป็นต้นนะไม่อยากให้คนอื่นรูปรล่อเป็นต้นเหมือนตนหรือว่าตนีนะไม่อยากให้ชมคนอื่นให้ตัวเองได้ยินเลยนะรังเกียจที่จะให้คนอื่นชมผู้อื่นให้ตัวเองได้ยินนะรังเกียจที่จะชื่นชมคุณงามความดีนนี้เรียกว่าตนีวันนะ หรือตณีธรรมะ ก, ก็คือตณีประยัดนะนะประยัดรู้ประยัดก็ไม่อยากจะให้คนอื่นรู้นี่เรียกว่าตณีประยัดเนี่ยนะนั้นความตณีเห็นปานนี้อาการตรณีความเป็นผู้ประพฤติตณีความเป็นผู้ปรารถนาต่างๆความเหนียวแน่นความเป็นผู้มีจิตหดหูเจ็บร้อนในการให้เวลาให้ทานก็เจ็บใจเนี่ยนะความมีจิตอันใครๆให้เชื่อถือในการให้ไม่ได้เนี่ยเรียกว่าความตณี อีกอย่างหนึ่งความตรณีขันตรณีท่าตรณีอายตนะเรียกว่าความตรณีหรือความมุ่งจะเอาก็เรียกว่าความตรณีชนผู้ตรณีชื่อว่าผู้ไม่รู้จักถ้อยคําที่ยาจกกล่าวยาจกนี่เขากล่าวว่าอย่างไงเขากล่าวว่าท่านเอ้ยเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็เคยมีเหมือนท่านนั่นแหละแต่ข้าพเจ้าไม่ให้ข้าพเจ้าจึงก็ต้องมาขอแบบนี้นะ ยาจกเขาก็บอกว่าท่านเนี่ยนะท่านไม่ประมาทท่านให้มาก่อนนะท่านจึงได้ร่ํารวยมั่งมีแบบนี้ขณะเดียวกันถ้าท่านไม่ให้ท่านก็จะเดินตามรอยของขพเจ้านะอย่างนั้นั้นก็เรียกว่าถ้อยคําของอยาจกมาขอเข้ามาบอกนั่นแหละอันนั้นก็เลยกลายเป็นผู้ประมาทปล่อยจิตไปในกามเนี่เชื่อว่าผู้ตนีก็เลยผู้ตกต่ําเรื่องของความตนีเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่น่าคิด ที่อัตถกถาท่านอธิบายถึงโทษภัยของความตณีเนี่ยนะว่าพวกตนีราบเนี่ยมีโทษยังไงเนี่ยนะพวกที่ตนีราบเนี่ยนะก็บอกว่าความตนีหประการอย่างที่กล่าวไปบุคคลเป็นยักษ์ก็ตามเป็นเปรตก็ตามยกอยากเยื่อในอาวาสแล้วเทินไปด้วยศีษะเพราะตนีอาวาสเพราะอาวาสมัชย์ญาณเนี่ยนะเกิดเป็นยักษ์เป็นเปรตหรือว่า แบกแต่ขยะนะแบกแต่ขยะอยู่บนหัวนี่ยนะตนีที่อยู่เมื่อบุคคลเห็นตระกูลนั้นทาการให้ฐานและความนับถือเป็นต้นแก่ผู้อื่นก็คิดว่าสกุลของเรานี้แตกแล้วหน อ, อนะถึงแก่เลือดพุ่งออกจากปากก็ดีท้องเดินก็มีนะท้องเสียเลยนะไส้ออกมาเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ก็ดีเพราะตนีในตระกูล เ, นะเห็นเรียกว่าเห็นคนที่นับถือตัวเองไปนับถือคนอื่นก็เดือดร้อนอ่ะนะต น, นี้เรียกว่าตนีในตระกูล พวกที่ตนีลาบมีอยู่นะของสงก็ตามของคณะก็ตามนะต่นีลาบที่เป็นของสงของคณะเนี่ยนะบริโภคเหมือนบริโภคของส่วนบุคคลเช่นของสงเนี่ยนะของสงของคณะแต่ใช้ของสงเหมือนของส่วนตัวนะอะไรย่อมเกิดเป็นยักษ์ก็มีเกิดเป็นเปรตก็มีเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่ก็มีเพราะลาบมัจฉริยะเช่นว่ามีเสนาสนะเนี่ยเสนาสนำของสงนี่ ตันเนียไม่ยอมให้คนอื่นมาใช้เนี่ยโหเปอร์เซ็นต์เป็นงูเหลือมก็สูงนะนะเป็นยักษ์เป็นเปรตก็ไม่น้อยอ่ะก็บุคคลผู้สรรเสริญคุณที่ควรสรรเสริญของตนเนี่ยนะไม่สรรเสริญอของผู้อื่นกล่าวโทษนั้นนั้นว่าผู้นี้มีคุณอย่างไรไม่ให้ปริยัตและอะไรแก่ใครๆไม่สอนเนี่ยนะรู้เขาทําก็ไม่สอนคนอื่นเป็นต้นเนี่ยด้วยอำนาตความตนนีเ่นะย่อมมีผิวพันสามไม่เรียกว่า เห็นคนอื่นสวยก็ไม่ชอบใจอ่ะนะอันนี้เป็นเหตุให้ตัวเองผิวซามละแล้วก็ไม่แนะนําคนอื่นก็เป็นเหตุให้เกิดเป็นแพ้อ่ะนะเพราะความตนีวันณนะแห่งสรีระและวันนีตนีคุณงามความดีแล้วก็ตนีในประิยะติธรรมเนี่ยทำให้เกิดผิวซามหรือให้เป็นแพ้อ่ะนะพูดอะไรไม่ได้เนี่ยแบะแบบแ บ, แ บ, แบอยู่นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้หมกไม่อยู่ในเรือนโลหะเพราะตนีที่อยู่เพราะตนีที่อยู่นั่นแหละจึงทําให้เกิดในนรกอ่ะนะ เพราะตนเพราะเป็นผู้มีลาบน้อยเพราะตะนีตะสกุลนะไม่อยากให้ไม่อยากให้คนที่นับถือตัวไปนับถือผู้อื่นหรือเห็นคนอื่นถูกนับถือกันก็ไม่ชอบอ่ะอันนี้แหละทําให้มีลาบน้อยบังเกิดในคูดนรกเนี่ยนะเพราะตะนีลาบคูดนรกกินแต่อุจจาระนะั่นแหละหรือเมื่อบังเกิดในภพไม่มีวันนะไม่มีความสวยอ่ะนะเพราะตะนีวันนะนะสัตว์เดรัจฉานบางตัวที่มันน่ารังเกียจอย่างมากเลยนะเห็นคางคกเลยนะ หรือตุกแกเป็นต้นเนี่ยนะที่ที่คนเขารังเกียจกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะตะนีผิวพันธ์นั่นแหละหรือบังเกิดในกุกุล น, นรกคือนรกฐานเพลิงเนี่ยเพราะตะนีธรรมะตะนีผิวพันธุ์ก็คือเห็นคนอวยคนอื่นสวยกว่าตนก็ไม่ยอมเนี่ยนะเห็นคนอื่นชมคนอื่นก็ไม่ยอมเนี่ยนะไม่ไม่ชอบที่เขาชมผู้อื่นให้ตัวเองฟังเนี่ยนะก็คืออยากให้ชมแต่เฉพาะตัวเองอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าตนีทะมณน ะ, ะความตนี ด้วยสา ม, มารถแห่งผู้ตรณีอาการแห่งความตรณีชื่อว่าอาการแห่งความตรณีเนี่ยนะพวกประพฤติตรณีพวกเหนียวแน่นคนพวกนี้ก็จ ะ, ะไม่รู้ความประสงค์ของผู้คอนะก็บุคคลผู้ประกอบด้วยความตรณีอย่างแรงย่อมห้ามแม้ผู้อื่นให้ทานแก่คนอื่นอันนี้ตรณีหนักมากนะถึงขนาดห้ามให้ทานเนี่ยโอ้ยขี้เหนียวจัดเลยเหมือนกันเหมือนกับธําที่ท่านกล่าวว่าคนตรณีมีความคิดชั่ว แม้มิจฉาทิฐิก็ไม่เอือ้อเฟื้อย่อมห้ามผู้ให้ทานแกพวกคนผู้ขอโภชนะอยู่นะพันห้ามให้ทานนี่มีโทษมากอันคนที่ห้ามให้นี่นะได้โทษหนึ่งคนรับก็เสื่อมลาบคนที่จะให้ก็เสื่อมบุญตัวเองก็จะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะห้ามการให้ทานเนี่ยนะ